ข้อที่หนึ่งสุขทุกข์ใครทาให้ตามหลักพุทธพจน์ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยบุคคลจึงปรุงแต่งกา ย, ยสังขารการปรุงแต่งการกระทําทางกายวจีสังขารการปรุงแต่งคําพูดมโนสังขารการนึกคิดปรุงแต่งในใจขึ้นเองบ้างเนื่องจากตัวการอื่นบ้าง โดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างและพุทธพจน์ซึ่งปฏิเสธทฤษฎีที่ว่าสุขทุกตนทาเองของพวกอัตตากาลวะทะและทฤษฎีว่าสุขทุกตัวการอื่นทรรมของพวกปรากการะวะทะเป็นการย้ำให้มองเห็นกรรมในฐานะกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยตนเองก็ดี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 จะคงมีอยู่และจะสำเร็จผลต้องอาศัยการพึ่งตนของบุคคลนั่นเองในการที่จะชักจูงเราให้เกิดกระทาจากผู้อื่นในการที่จะรักษาการกระทาของผู้อื่นนั้นให้คงอยู่ต่อไปและในการที่จะยอมรับหรือสนองต่อการกระทาของผู้อื่นนั้นหรือไม่เพียงใดด้วยดังนี้เป็นต้นโดยเหตุนี้